ธุิยะชันต BON ED, ติยะชันและจตุทชาญสองร้อยกษิูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าธุติยะชาญแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าตติยะชันจตุทชาญแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุทชาญข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญ ข้าพเจ้าทำจตุตระชานให้แจ้งแล้วด้วยอาการเจ็ดอย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจักกล่าวเทจวงเล็บสองกาลังกล่าวก็รู้ว่ากําลังกล่าวเทจวงเล็บสามครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเทจแล้ววงเล็บสี่อําพรางความเห็นวงเล็บห้าอําพรางความเห็นชอบวงเล็บหกอําพรางความพอใจ วงเล็บเจอำพรางความประสงค์ต้องอบัดปาราชิก